แบบมอบกายถวายชีวิตได้ไม่ได้ถวายแต่ปากนะของเรารู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เอาชีวิตเราแน่ใช่ไหมเราก็ ส, สวดขอมอบกายถวายชีวิตพูดแต่ปากนะเรารู้ว่าท่านไม่เอาชีวิตเราหรอกแต่ถ้าเราภาวนาจะเราเข้าใจธรรมะที่ท่านสอ น, นเราจะรักจริงๆเลยรักสุดหัวใจเลยในชีวิตของเรานะแต่ละคนแต่ละคนเรามีพ่อมีแม่มีพ่อคนหนึ่งมีแม่คนหนึ่งในสังสา ร, รวัฏที่เราเกิดเกิดตายตายรวมแล้วพ่อแม่ของเราเยอะมากเลย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 จิตใจจะหนักๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมาเลยทือท่อๆนะแข็งขึ้นมาหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้มีแต่ความอึดอัดนะแล้วจงใจปฏิบัติเมื่อไรอึดอัดเมื่อนั้นเลยจงใจไปรู้ลมหายใจก็อึดอัดจงใจไปรู้ท้องผองยุบก็อึดอัดนาะยกเท้ายัาง่งเท้าแล้วจงใจไปรู้อยู่ที่ทเทา้าก็อึดอัดอีกนะทําอะไรอะไรมันก็อึดอัดไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันไปติดคุกนะคนติดคุกมันมีความอึดอัดนะแต่หลวงพ่อไม่เคยติดนะนี่เดาๆเอานะ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 ถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นของสวยของงามอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญานะถ้าเห็นกายเห็นใจว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็ยังไม่ใช่ปัญญาแท้ๆต้องเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์นะเพราะปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะธรรมรองรับอย่างเราบอกว่าเหม็นใช่ไหมอีกคนหนึ่งว่าหอมคนลาวบอกว่าปลาลาหอมนะฝรั่งบอกเหม็นคนไทยว่าทุเรียนหอมใช่หมฝรั่งมันบอกเนยหอมบางคนคนไทยบอกเหม็น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 ใจเราโลภ ใ, ใจเราโกรธใจเราหลงเราก็ค่อยรู้ไปในที่สุดมันจะจําสภาวะได้มันจะจําได้ว่าจิตใจที่หลงเป็นอย่างนี้จิตใจที่โลภเป็นอย่างนี้จิตใจที่โกรธเป็นอย่างนี้จิตใจที่สุขที่ทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพอมันจําได้ต่อไปความโลภความโกรธความหลงหรือสภาวะใดๆที่จิตจําได้แล้วเกิดขึ้นะสติจะเกิดเองเลยนะพอสติเกิดเองแล้วคราวนี้สติระลึกรู้กายบ้างระ ล, ลึกรู้จิตบ้างเลือก ok ไม่ได้แล้วก็นะจะรู้โดยที่ใจเป็นกลางนะ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 จิตถอยออกมาเนี่ยเราเริ่มคิดได้แล้วตรงที่มีความรู้สึกนึกคิดเนถ้าจะพิจารณากายเนี่ยก็ทําได้2แบบอันหนึ่งน้อมลงไปพิจารณาผมกนเล็บฟันหนังอะไรนี่อาการ32เนี่ยจิตมันจะกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆอยู่มันจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิที่ที่สงบไม่ลึกมากอย่างการทําสมาธิ ท, ที่ที่ทำอยู่ก่อนนะผู้ปฏิบัติหลายท่านเลยท่านทําสมาธิอย่างทาํามานาปนาสติจนจิตถึงฌานแะล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 รู้ประทมามนามธรรมไม่มีเราแต่ตอนนี้มันเพ่งเยอะไปใช่ค่ะ เ, เพง่งเพ่งลมหายใจเออเพ่งเพื่ออะไรหลวงพ่อเริ่มถามตามหลักของสัมปชัญญะแล้วรู้นั้นว่าเพ่งลมหายใจเพ่งเพื่ออะไรเพราะบางบางครั้งแบบมันมีที่ยึดอ่าสติอะไรตรงนี้เ อ, อยึดเพื่ออะไรอ่ะอยากให้สติเกิดระรับใดที่อยากให้สติเกิดเนี่ยความอยา ก, ย, ากยังดำรงอยู่สติจะไม่เกิด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 นั้นเป็นสมถะแต่ถ้าดูเวทนามจะเห็นนะเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่จำเป็นว่าเวทนาต้องหายนะหลายคนไปดูเวทนาคิดว่าจะภาวนาเอาชนะเวทนาเคยได้ยินใช่ไหมคำนี้นั่งจนชนะเวทนาพิชนะมันทำไมถ้าชนะนั้นมันจะรู้สึกกูเก่งนะแต่ก็ไม่ได้สอนให้แพ้มันนะให้เราเรียนรู้ความจริงของเวทนาเราจะเห็นเลยเวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็น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 ถ้าคุณ <Okay. S 1> มีสตินะคุณก็มีกุศลกรรมบุตมีศีล น, น ะ, จะเจริญมากจเจริญโพชฌงนะอินทรีย์ก็จเจริญ น, นะทำม้าฝ่ายดีมันจ ะ, จ ะ, จะเจริญได้ <Okay. S 1> ถ้าขาดสติตัวเดียวเนี่สิ่งเหล่านี้ไม่มีหรอกงั้นต้องเรียนนะเรียนเรื่องสติค่ะต้องปฏิบัติสมถภาวนาและเอ่อให้ได้วิปัสสนาภาวนาและรักษาศีล น, นั้นไว้ให้ได้ใช่ไหมจ๊กค่ะต้องรักษาศีล น, น ะ, ะนการปฏิบัติเนี่ยค่ะ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 พอพรรษาที่3ทั้นสอนใหม่มีสติไว้ข้อวัดทั้งหลายสําคัญนะถึงเวลาต้องไปทําข้อวัดของพระไปบินทบาตไปกวาดวัดไปทําอะไรต่ออะไรเนะี่ยไม่บอกเหตุผลหรอกจะสั่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์จริงๆนะในสายครูบาอาจารย์วัดป่าจริงๆท่าไม่สอนเยอะหรอกท่านสอนเรานิดๆหน่อยๆแล้วให้เราไปรูปๆคลำๆเป็นปีๆเลยว่าจะเข้าใจบางงานตั้งหลายปีนะป๋าจะเข้าใจบางเรื่อง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 คือคนที่ไม่ชอบทําสมถะนะหลวงพ่อพบอะไรอย่างหนึ่งน ะ, ค, ะคนที่บอกว่าไม่ทําสมถะไม่ชอบสมถะนะแต่ติดเพ่งนี่เยอะมากเลยนะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะบอกพวกที่ทํำนิปัาสนาล้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพง่งแต่หนูนี่สังเกตตัวเองว่าหนูไม่เพ่งอะฮะหลวงพ่อค่ะ <c oughs> เอาดูว่าหลวงพ่อสอนว่าเพ่งคือปูมแต่งแล้วผิดให้ดูไปตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะก็้นหนูก็ดูแล้วเห็นอะไรก็บางครั้งเห็นแบบจิตมันไปปุมแต่งคิดอะไรไงค่ะก็รู้ทันเจ้าค่ะอย่างั้นแหละดูไปนะถ้าเราดูโดยไม่เพ่งนะใจเราจะเบิกบา น, ใ จ, าจบบานใจเราจะเบาใจาจะนุ่มนวลใจจะว่องไวนะถ้าดูแล้วเพ่งนะใจจะหนักหนัก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 เป็นยังไงดูเจตสิกดูตัวไหนล่ะดูความรู้สึกนะคะดูความรู้สึกไปใช่ได้ใช่ได้นะเจ้าค่ะเนี่ยตอนนี้หนีไปแล้วรู้สึกไหมค่ะตอนนี้ไม่เป็นตัวเองอะค่ะตอนนี้เราไปข่มไว้ล้วตื่นเต้นกลัวไมโครโฟนค่ะตื่นเต้นหาใจสั่นเออให้มันสั่นไ้นะอย่าให้มันหยุดค่ะกลาครับว่าคุณเจ้าค่ะการนมัสการหลวงพ่อครับผมบัิช่วงหนึ่ง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 ดีที่ทำอยู่ใช้ได้ละดีนะพวกเราที่ทนทนเรียนนะั้นจำนวนมากเลยหน้าตาฟ่องใสขึ้นมาเยอะเลยมันจะรู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองใจมันจะสว่างขึ้นมาใจมันนุ่มนวลมันเบามันสบายเรารู้สึกผู้คุมกดมาลนะ <c oughs> แต่หลวงพ่อต้องแก้ข่าวอีกทีนะเดือนหน้าไม่ใช่หลวงพ่อขอ ง, งินนะ <c oughs> ทางนี้บอกว่า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 มีหลายสิบคนพอน่าเก่งๆเยอะเลยนี่ก็เก่งนั่น